ก็ยังไม่ต้องอะไรใช่ตัวนี้ได้ไหมก็ทอกราบพัฒนาไตรแล้วก็เจริญในธรรมนัปฏิบัติธรรมทุกท่านนะอเสียงอีกนิดเนี่ยตามที่ได้ทราบจากรายงานของ ฝ่ายดำเนินการทึ่นำโดยคุณมรกฎศีแสงนามนะก็ขออนุโมทนาสาธุในความตั้งใจของคณะกรรมการนะยุวพุท ธ, ธิกะสมาคมทุกท่านที่จัดให้มีกิจกรรมอันเป็นมงคลอันนี้ขึ้นนะทั้งนี้เพื่อที่เราจะได้รวบรวมกนะำลังศีลกำลังธรรมและกาลังบุบรารมีทั้งหมด เป็นการช่วยเหลือนะทั้งประเทศชาติและครอบครัวของเราให้มีความเป็นอยู่ที่ดีงามและปลอดภัยยิ่งขึ้นเพราะเราได้ได้ทราบว่าปัจจุบันนี้เราทั้งหลายก็ได้ประสบกับปัญหาต่างๆด้างเศรษฐกิจการเมืองสังคมและภัยพิบัติต่างๆขายายทั่วไปึ่เป็นกฎของตรรกนี่เราทั้งหลายได้มา ร่วมกันในครั้งนี้โดยใช้หลักสูตรในการปฏิบัติวิธีการหลวงพ่อเทียนจิตสุโภซึ่งได้ทราบจากรายงานผู้ดําเนินการว่าส่วนใหญ่ได้ผ่านวิธีการการปฏิบัติแบบหลวงพ่อเทียนมาเป็นส่วนใหญ่แล้วเนาะดังนั้นเองก็มาก็ได้นําเสนอว่าการอบรมครั้งนี้คือการาศึกษาสภาวะทำสภาวะจิต เพราะว่าในแง่ของทฤษฎีหลักวิชาการหลักทฤษฎีวิชาการทางด้านกรรมฐานก็นดีและทางด้านสมถะและวิปัสสนาเนี่ยท่านทั้งหลายได้รับกันมามากพอแล้วซึ่งในวิธีการโพวิทยาเนี่ยท่านต้องการแปลความสมมุติที่เราได้รับทราบมาทั้งหลักทฤษฎีต่างๆเนี่ยให้เป็นภาคปฏิบัติดูว่าจะ เอามาใช้ได้มากน้อยแค่ไหนนะในการมาเข้าศึกษาแต่ละครั้งเนี่ยถือว่ามาเป็นการ เ, เพิ่มกำลังนะมาเพิ่มกำลังของปรมัทธธรรมให้มีกำลังมากขึ้นนะเพราะตัวพุทธศาสนาคือตัวปรมมัทถสภาวะคือตัวความจริงล้วนๆที่มีอยู่ในกายในใจของเราเนี่ยแต่ว่าถ้าเรายังสัมผัส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 เพราะว่าทางกายภาพเรามีที่อยู่อาศัยไม่ว่ า, าแผ่นดินประเทศชาติและบ้านเรือนเป็นที่อยู่อาศัยเพื่อคุมแดดคุมฝนคุมปกครองพยันตรายต่างๆให้พ้นจากภัยพิบัติในแง่ของทั้งด้านรูปธรรมทั้ทงร่างกายเนี่อล ร, รู้จักวิธีการในที่จะจัดการให้ตนเองอยู่ในที่ปลอดภัยได้หลายๆแบบแต่ในแง่ของ จิตใจของเราเนี่ยบางคนก็ยังไม่รู้จักว่าจะรักษาจิตใจของเราในีอยู่ในที่ปลอดภัยได้ตลอดเวลาได้อย่างไรอันนี้ก็คือที่เราจะมาศึกษาถ้าเกิดมาในชีวิตนี้เรามีความปลอดภัยทั้งร่างกายและจิตใจก็ถือว่าการเกิดของเราไม่อะไรผลไม่เป็นหมันและก็คุ้มค่าในการเกิดมาแต่ถ้าหากว่าเรายังไม่มีความปลอดภัยทั้งร่างกายและจิตใจ ก็เรียกวเกิดาการเกิดมาของเรานี่ก็เรียกว่ายังไม่คุ้มค่าความเป็นมนุษย์ของทุกคนไปสิ่งสูงสุดมีวิวัฒนาการมาหลายหลายล้านปีกว่าจะมาถึงวันนี้กว่าจะได้มาร่างได้ร่างอันนี้ได้จิตใจอันนี้เนี่ยวัฒนาการมาตั้งแต่บรรพบุรุษแล้วก็นว่าโชคดีที่ท่านทั้งหลายได้มีโอกาสซึ่งมากกว่าอีกหลายล้านคนที่ยัไม่มีโอกาสอย่างท่านทั้งหลายเมื่อท่านมีโอกาสอย่างนี้แล้วเนี่ย เราก็ทำให้ดีที่สุดดังนั้นาศาสนะพิธีวิธีการต่างๆเราก็ทำกันช่วงสั้นๆเพราะท่านทั้งหลายเป็นชาวพุทธที่มีศรัทธาพร้อมแล้วเนี่ยได้ผ่านพิธีการทางศาสน า, ามาต่างๆหลายระบบหลายวิธีแต่นั้นก็คือเป็นไปเพื่อความดีงามความเหมาะสมทางสังคมแต่ว่าความดีงามความเหมาะสมทางด้านจิตใจของเราเนี่ย อาจจะมีหรือไม่มีเนี่ยเราไม่สามารถจะรู้กันได้แต่เราจะรู้ตัวของเราเองนั้นในวิธีการอุพเทียใครจะเดินทางมาถึงตรงนี้ได้เนี่ยก็นับว่ามีบุญมีกุศลมากพอสมควรเพราะวิธีการนี้ต้องยอมรับว่าเป็นวิธีการที่ดูเหมือนง่ายแต่ยากนะดูเหมือนง่ายแต่ยากเพราะว่ามันเป็นการทำแบบไม่ สุดตรงไปทั้งสองด้านคือไม่จริงจังมากเกินไปและในขณะเดียวกันก็ไม่หย่อนยานมากเกินไปเป็นการรักษาให้จิตของเราเนี่ยอยู่ในสายกลางตลอดเวลาตรงหน้าทางสายกลางนี่เองที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าเป็นทางที่ท่านค้นพบตลอดเวลาเนี่ยจิตใจของมนุษย์ของเราเนี่ยจะเวียงไปสุดตรงทั้งซ้ายและทางขวาเสมอทางซ้ายก็คือชอบความสะดวกสบาย นะทางขวาด้วยก็ชอบความยุ่งยากลําบากนะไปคนละแบบเวียงไปเวียงมาอยา่ตลอดเวลาอันนั้นคือสมุทัยของทุกขของมนุษยชาตินะเมื่อเป็นเช่นนั้นพระองค์ก็ออกแสวงหาว่าอะไรเป็นทางออกในะที่สุดท่านก็มาพบทางสายกลางคือความพอดีระหว่างความตรงทั้งสองด้านตรงไปซ้ายขวาการที่จะรักษาและประคับประคองคจิตให้อยู่ตรงกลางพอดีเนี่ย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 ดังนั้นเองคุณสมบัติทั้ง5ประการเนี่ยทุกท่านได้ผ่านทางฝ่ายทฤษฎีมาแล้วดังนั้นเองเราจําเป็นจะต้อ ง, งพิสูจน์ให้เห็นว่าเรามีคุณสมบัติอันนี้ที่เป็นฝ่ายปรมาจุด้วยคือมีศรัทธาที่แท้จริงมีความเพียรที่ถูกต้องมีสติที่ถูกต้องมีสมาธิและปัญญาที่ถูกต้องซึ่งเราต้องมาพิสูจน์กันนะดังนั้นในช่วงตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่8 นะอาตมาภาพทั้งสมรูปก็จะทำหน้าที่เป็นเพื่อนเป็นพี่เลี้ยงหรือเป็นกระไดนามิตรแต่ไม่ใช่ครูบาอาจารย์ในฐานะอาตมาได้เดินทางสายนี้มาก่อนตั้งแต่พศ2อ1พเป็นต้นมาถึงปัจจุบันนั้นประสบการณ์ถึง40ปีเนี่ยมาคิดว่าจะไม่ทไม่นำท่านทั้งหลายไปทางที่ผิดพลาดนะเพราะว่าในระยะที่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 อันนี้ก็ต้องนําเข้าสู่ภาคปฏิบัติน่ามาก็เลยแบ่งเป็นทั้งสามกลุ่มย่อยๆนะสกลุ่มหรือ4กลุ่มกลุ่มที่1ก็คื อ, อกลุ่มที่เคยปฏิบัติมาแล้วมีประสบการณ์มาหลายครั้งทางด้านเก็บอารมณ์ทางด้านศึกษาในวิธีการปฏิบัติมาหลายคอร์สในหลักการนี้อย่างน้อยกลุ่มนี้ต้องเข้าใจว่ า, าการดูแลทางด้านจิตใจให้ปลอดภัยจากความคิดเนี่ยทำอย่างไร พอความคิดนั่นเป็นที่มาของอกิเลสตัณหาประธานต่างๆถ้าเราจัดการความคิดให้ถูกต้องได้กิเลสตัณหาก็มาไม่ได้นะเพราะฉะนั้นในกลุ่มที่หนึ่งเนี่ยเป็นกลุ่มที่ลักษณะรมหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงได้นะเป็นพี่เลี้ยงได้ซึ่งก็มีหลายท่านที่เคยผ่านมาตรงนี้ซึ่งได้ได้ประกาศในเวลาต่อไปกลุ่มที่สองก็เป็นกลุ่มที่ได้ผ่านการปฏิบัติมา หลายคอร์สแต่ว่าการเก็บอารมณ์อาจจะยังไม่ได้เคยเข้าหลายครั้งก็มีประสบการณ์ส่วนหนึ่งก็สามารถที่ช่วยในด้านธรรมบริกรได้ส่วนหนึ่งส่วนกลุ่มที่สามนี่ที่ไม่เคยเข้าปฏิบัติเลยก็มีเหมือนกันมีถึงสิบสองท่านนะก็ะแบ่งเป็นสามกลุ่มใหญ่ๆดังนั้นในกลุ่มที่โดยเฉพาะกลุ่มผู้ใหม่เนี่ยก็จะเน้นให้ได้หลักอย่างน้อยที่สุดงานนี้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 ทั้งสองด้านคือหลักของรูปกับนามกายกับใจเนี่ยถ้าหากว่าไปสุดตรงพระแท้ด้านกายก็ขอให้เกิดความทุกข์ทางจิตถ้าสุดตรงไปเรื่องจิตก็ขอให้เกิดความทุกข์ทางกายทีนี้เราปรับกายกับจิตให้เกิดความพอดีตรงเนี้เราจะปรับอย่างไรนะก็จะได้ดําเนินการไปตามหลักการในวิธีการโคเทียน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 เป็นศึกษาการเป็นวันๆไปนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในข้อ น, นี้มีท่านวู้โสหลายท่านมาเข้าอย่างหมอราพินซึ่งเคยเข้าปฏิบัติร่วมอมธมาตั้งแต่สมัยนวุวเทียนมีชีวิตอยู่ ปีสองห้าสองศูนน่นสามสสี่สิบปีท่านก็ยังเนียวแน่นติดตามปฏิบัติมาโดยตลอดนะนะซึ่งได้เคยไปตามไปช่วยงานอยู่ที่นะครปฐ ม, มสมัยนั้นท่านเป็นนะหมออยู่ที่นั่นอย่งคุณวิชัยนะก็เคยปฏิบัติมาหลายครั้งซึ่งท่านเหล่านี้ล้วนได้ผ่านการเก็บอารมณ์ได้ผ่านการเข้าคลอดมาหลายๆลายคราวและมีความเข้าใจในหลักการอันนี้พอสมควรแต่ว่า ท่านทั้งหลายได้เคยผ่านในการวิธีการอุลรมแบบวิธีการแบบหนอซึ่งมาเองเขเคยทาํามาและเมื่อมาต่อยอดด้วยวิธีการของพ่อเทียนทั้งอนาปาณสติแบบสนมอกมาก็ได้ได้ศึกษาอยู่กับท่านมาอง์ลสองสามปีหลวงพ่อพุทธธาตุบ้างหลวงพ่อเจ้าคุณโชโดกบ้างเนี่ยเคยอยู่ปฏิบัติกับท่านมาแต่พอมาพบในวิธีการของพ่อเทียนเหมือนกับการส่งทอดนะ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 ต่อเมื่อมาได้พบครูบาอาจารย์หลายท่านในวิธีการพุทธเถียนนี้เองก็ได้รู้ทางออกอท่านก็บอกทางไปให้เราเราก็ดำเนินตามก็ทุกฐานก็มปนฐานที่เต่อยอดไปเหมือนกับเจดีจากฐานกว้างไปสู่ฐานที่เรียวขึ้นเรื่อยๆ <c oughs> จนเป็นฐานหลักฐานยอดดังนั้นท่านทั้งหลายถ้ามาในวิธีการอันนี้แล้วอาจจะมีอะไรผิดแปลกแตกต่างออกไปก็ <c oughs> ถือว่าเป็นการศึกษา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 เราจะเดินทางไปสู่เป้าหมายไม่สำเร็จถ้าหากว่าพาหนะเราไม่เข้มแข็งเช่นว่ารถพวกเราที่เราใช้เนี่ยมันไม่เข้มแข็งเวลาขับไปสู่เป้าหมายเกิดชํารดสุดเสื่อมกลางทางเกิดเสียกลางทางแล้วก็ไปไม่ถึงเป้าหมายมาเลยเปรียกว่าร่างกายนี่เปรียบเหมือนพาหนะคือรถจิตใจนี้เปรียบเสมือนคนขับเพราะนั้น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 เป็นเป้าหมายสูงสุดเนี่ยเราก็จบกันทีเรื่องทุกข์ที่เราทุกกันมาหลายหมื่นหลายแสนชาติเนี่ยทุกกรรมานานแต่เราจำมันไม่ได้เท่านั้นเองดังนั้นเองการมาปฏิบัติในพิธีการของพระเทียนเนี่ยมันก็จะต้องทุกอีกแบบหนึ่งทุกเหมือนกับว่าเราจะผ่าฟีซึ่งจะต้องทุนจิตเพื่อที่จะรีดเอาหนองหรือเอาหนามนี่ออกให้หมดซึ่งนั้นหมายของว่าเราจะต้องมีการ ผาตัดก็ดีมีการบ่๋งเอาน้ําเอาห น, อ, านองออกก็ดีจะต้องเจ็บปวดนั้นในช่วงปฏิบัติเนี่ยเราจะต้องถูกนิวรณต่างๆแบบเสมือนหนามหรือหนองที่มันบ่มอยู่ในใจของเราเนี่ยเราจะต้องเอามันออกอย่างไรซึ่งในแต่ละวันเราก็จะบอกวิธีกันไปโดยที่ท่านหลายก็ตามศึกษาไปเรื่อยๆเพราะนั้นในวิธีการนี้จะไม่มีการนั่งหลับตาหรือนั่งนิ่งๆนานๆแต่จะมีการปรับ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 ความเปลี่ยนแปลงของไตรลักษณ์เนี่ยที่เป็นรูปธรรมไม่ใช่เห็นการเปลี่ยนแปลงในระดับนึกคิดเอาว่าเอออ น, นิจจังไปอย่างนี้ทุกขงังไปอย่างงี้อนัตตาไปอย่างนี้นนนแล้วเอามาคิดตามตัวหนังสือตามคําสอนของครูบาอาจารย์ไม่ใช่แต่เราจะต้องเห็นไตรลักษณ์ในตัวเราจริงๆว่ามันทํางานอย่างไรทํางานทางกายเนี่ยมันทํางานอย่างไรไตรลักษณ์เมื่อเราไม่สามารถที่จะดูมันได้ตลอดสายเนี่ย แต่รักมันก็จะไปเปลี่ยนเป็นรากเง้าของอกุศลได้อย่างไรเนี่ยเราก็จะศึกษาเรื่องนี้ในแต่ละวันนะดังนั้นเองในลําดับต่อไปนี้พวกเราทั้งหลายก็จะได้สมทานศีลและก็สมทานกรรมฐานเป็นลําดับต่อไปนะเพราะฉะนั้นต่อไปนี้ก็อัธนะศีลห้าหรือศีลแปดพร้อมกันหลวง่อ